บทที่สิบจุดซีรีาภาพแห่งความตึงเงินของทุกคนนี้เสียงสะเอิญเริ่มคลางและพูดอะไรเบาๆตะพินขาจะหงนั้นไปดูคนเจ็บเรลล์ะเคสพอยลุกขึ้นมาดูด้วยก็เห็นเจ้าเกรียงข้อาร้ายเปิดเปลืกตาขึ้นพูดแหบโหยกับประพินพยอยู่สองสามประโยคทานใหญ่ก็ต่อโต๊ะไปพร้อมกับเอื้อมือไปแตะที่ใบเบาๆเหมือนจะปลุกปลอบใจจังหวะนี้เองอุทาพระโตและฝ่ายบริการเชิอดวุฒิที่นั่งล้องมวงกันอยู่ก็ได้เคลื่อนเข้ามามองดูคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งเขาว่ายังไง เบลถามขึ้นเขาขอกินน้ำและบอกว่าปวดแผลมากหมอเบลหันไปยังเกิบเครื่องวิชาพันธุ์ซึ่งเตรียมอยู่ใกล้ๆแล้วอ่นใจต่อมาก็าหันมาพอกับเข็มฉีดยาบอกเขาว่าฉันจะฉีดยากแก้ปวดให้เขาขอให้เขาอุทธหน่อยรับรองว่าปัญญาจะหายปวดและหลับสบายอย่าคิดอะไรมากบอกเตืว่าเขาจะไม่ตายอย่างแน่นอน อย่าริืมทําความเข้าใจกับเขาด้วยว่าขณะนี้เรากําลังให้น้าเกลือทางเส้นเลือดแก่เขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องระมัดระวังเกียวกายเคลื่อนไหวของแขนด้านนี้มากอย่าให้เข็มหลุดออกมาจากเส้นเลือบดบริการและขณะนี้เขาจะกินอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งน้ำนํำพันใหญ่พูดเบาๆคนเจ็บดูเหมือนจะเข้าใจกันได้ง่ายดีมากเพราะเจ้านั่นพยักหน้า น, นิดหนึ่งตาหลีลอยลงอีกครั้งหนึ่งด้วยความกิดรอยสลืมสลือและละขิงก็มองไปยังเบลพูดซึ่งถือเข็มรออยู่โอเคครับก็พอจะดูเรื่องแล้ว และคงจะปฏิบัติตามคำสั่งของหมอไม่ยากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพวกนี้มีความอดทนตามธรรมชาติอยู่แล้วคุณจะชีดย้ายเขาก็เชิญเถอะเบลเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ทาที่แขนที่ข้างหนึ่งของคนเจ็บแล้วเสืบปลายเข็มเข้าไปอย่างแผ่วเบาสะเอิญสะดุ้งนิดหน่อยแล้วก็นอนสงบนิ่งชั่วอึดใจเดียวแล้วก็ดึงเข็มออกมาพิมพ์ด้วยสำลีชิ้นเดิมอีกสักครู่หนึ่งเขาจะสงบและหลับไปได้ระยะ น, นี้เราต้องการให้เขาพักผ่อนนิ่งทีง่มากที่สุดอย่าให้ใครมารบอควน พ, พูดจาเข้าโดยไม่จําเป็น พระโปรดภัยหันไปสังความกับพัะโตและอูทะสองคนนั่นก้มหัวแซมกันนักรู้ได้คําสั่งแล้วทั้งหมดก็ถอยออกมานั่งรวมกลุ่มกันที่เดิมอีกครั้งหนึ่งจะมีก็แต่หยินสองคนเท่านั้นที่นั่งกอดเขาดูแลอาการของเพื่อนอยู่อย่างใกล้ชิดพวกเรายังมีความเข้าใจอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องที่พูดค้างกันอยู่เมื่อตะกี้นี้ด็อเตอร์เซรีเอ่ยขึ้นขณะที่มองจับนิ่งมายมา ก, กุเทศนําทางตามไมกระพริ บ, บใช่มันเป็นเรื่องที่พูดแล้ว แปลกมากข้อที่หนึ่งเยาวชนที่มีงานสีดําซึ่งผิดธรรมชาติไปจากช้างทั่วไปในโลกนี้ข้อที่2ความอาฆาต พ, พยาบาทของมันที่มีต่อกระเหลี่ยงหัวหน้าหมู่บ้านไปนําำโขงยกขบวนเข้ามาแก้แค้นทําลายล้างเสียทั้งหมู่บ้านจนถึงกับต้อง อ, อบมิยกหนีกันขึ้นไปอยู่บนถ้าสูงมิหนาซ้ํายังมีรายงานข่าวว่ามันยังไม่ระดับความพยายามโดยการรวบรวมโขงจุนจุนเพิมเ่มเติมเข้ามาเป็นจำนวนร้อย หวังที่จะเล่นงานคนพวกนั้นต่อไปคุณพอจะอธิบายได้ไหมเพืนเอกราลีคิตกล่าวเสริมอย่างสุดที่สวงเรื่องช้าที่มีงานสีดำตามคําบอกเล่าของคนเหล่านี้ผมยังไม่อายจยืนยันได้นอกจากเราจะเห็นกับตาตัวเองชัดๆแต่ส่วนเรื่องความพยายามอาคตของช้างการชุมนุรมรวมโผงเพื่อจะต่อสู้หรือทําลายรักตัวของมันนั้นผมพอจะยืนยันได้ว่าบางขณะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราคาดคิดไปไม่ถึงเหมือนกัน เนื่องจากมันมีสมองที่ฉลาดที่นพิเศษเหนือกว่าสัตวทั่วละทั่วไปทั้งหลายหรือเนื่องมาจากสิ่งที่ลีลับซึ่งอยู่ในสัญชาตญาณของสัตว์ประหลาดประเภทนี้ก็สุดแล้วแต่จะวิเคราะห์กันดูครับผมเองเคยไปเจอมาแล้วเมื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตำนองนี้และกล้ารับรองได้ว่ามันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าไม่เสมอไปและไม่เกิดขึ้นบ่อยนักเท่านั้นคุณเคยพบกับตัวเองมาแล้วในเรื่องนี้หรือใช่เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังซิในการนำทางขั้งล่าสุด ข, ของผมเมื่อปีที่แล้ว คณะของเราต้องขับเคี่ยวกับช้างโคลงใหญ่โคลงหนึ่งภายใต้ใตการนําของจ่าฝูงที่มีปลหูข้างหนึ่งแหวงซึ่งเราเรียกมันว่าไอแหวงลักษณะความอาฆาตพยาบาทแค้นของมันติดตามจองล้างจองผานพวกเราไม่ผิดอะไรกับที่เราได้รับทราบเรื่องราวจากขยิบขลิ่งสองคนนี้เลยหัวหน้าคณะหูผึ่งช้องมาที่เขาเป็นจุดเดียวกันพร้อมกับดักฟังอย่างสนใจเต็มที่และพินเอานิ้วพิยีปลายจมูกและลึกย้อนไปถึงการประชันภัยแต่หนนหลังร่วมกับคณะของคุณชายเชษฐา มีอยู่คืนหนึ่งมันยกกันขึ้นมาเป็นกองทับทีเดียวโดยมีสัญญาณบอกเหตุให้ทราบตั้งแต่ตอนกลางวันขณะนั้นพวกเราทั้งหมดพักกันอยู่ที่เชิงเขาบริเวณหนึ่งก็ไม่หาจากที่เราอยู่กันที่นี่เป็เท่าไหรนักหรอกครับเย็นวันนั้นเราถึงกับต้องวางไดโนไม้ไวร้รอบๆ บ, บริเวณปางพักด้านหน้าของเราเพื่อที่จะระเบิดขับไล่มัน ถ้หาว่ามันบุกเข้ามาแล้วก็เป็นตามความจริงตกดึกมันบุกเข้ามาก่อนระลอกหนึ่งพืนทุกกระบอกของฝ่ายเรายิงกันเสียจนร้อนจนชนิดที่แต่ตล้องลำกล้องไม่ได้เลยพวกมันตายไปมากเหมือนการทำศึกสงครามกับมนุษย์เดียการไม่มีผิดอาศัยที่เทมเพอปของเราอยู่ในเกณฑ์ดีคือเป็นเชิงเขาสูงมันจะต้องไต่ทางชันขึ้นมาคืนนั้นมันบุกเข้ามาไม่ได้ถอยฝ่าออกไปส่งเสียงร้องสนั่นมันป่าไปหมดเราคณีตจานวนไม่ถูกว่ามันมีอยู่สักเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันร้อมเต็มป่าไปหมดแต่ถอยไปกําบังตัวอยู่ในป่าทึบ รุ่งเช้าตะวันขึ้นพวกมันจำนวนหนึ่งอ้อมขึ้นไปบนสันเขาโดยแอบบุกเข้ามาทำด้านหลังที่มั่นของพวกเราแล้วช่วยกันผักงัดก้อนหินให้ถล่มทลายลงมาเป็นพายุลงมาสายพวกเราซึ่งไม่ทันทีเฉียวใจคิดมาก่อนว่ามันจะมีบรรัญญามีเล่ห์กลราวกับมีวิญญาณของสีร้านข้าวสิง ม, มงคลเทียงนั้นผลปรากฏว่าพวกเราลำสำรับสายแต่กสานสั้นเซนกันไม่เป็นสำรับและหัวหน้าคณะเดินทางของพวกเราคนหนึ่งเคราะร้ายที่สุดถูกก้อนหินก้อนหนึ่งทับลงมาที่ขาแทบขาด โอ้คริสกับเบลลร้องรั่นทําตาพองดรเตอร์เซียรีถึงกับทอสกาออกจากตาสุนที้และช่วยวุทตลึงงานตัวแข็งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่เป็นความจริงนะครับพาลูกน้องผมทั้งสี่คนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยและจะไม่มีวันลืมเลือนเลยตลอดช่วชีวิตของพวกเขาแต่ละคนแล้วเรื่องมันสิ้นสุดลงได้อย่างไรเมริการอวสที่สุดในคณะถามเสียงแหบแห้งเป็นปกติ วันนั้นเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดอยู่ในฐานะย่ำแย่โงของ แ, อแหวงซึ่งดูคล้ายกับว่าจะไปเกณฑ์ชา้าทั้งป่าเข้ามาร่วมกันเป็นกองทัพถอยล่าบไปเมื่อเราระดมยิงหนักและพวกมันล้มตานลงมากครับก็อย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าพวกมันราวกับทําสงครามกับมนุษย์ต่อมนุษย์โดยที่ฝ่ายเรามีกําลังน้อยกว่าและฝ่ายตรงข้ามมากมายกว่าหลายเท่านักพยายามจะบุกเข้ามาขยี้อย่างบ้าเลือดแต่ยังไม่มีโอกาสจะบุกเข้ามาถึงตัวได้พอพวกเราตั้งตัวได้ภายหลังมันก็ถอยล่าบไปแล้ว ผมกับพวกเราส่วนหนึ่งออกติดตามไอตัวจากโขงกันอย่างเอาเป็นเอาตายเราละทิ้งภาระหน้าที่อย่างอื่นหมดสิน้นหลายวันต่อมาเราก็ประทะกับมันอีกที่นิสจันบาลกันระยะประชิดตัวทีเดียวตัวผมเองก็เกิดจะตายปรากฏว่าไอตัวจากโขงถูกลูกปืนของฝ่ายเราเข้าและมีช้างบริวารสองตัวช่วยประคับประคองขนาบพาห น, นีเข้าไปยืมตายอยู่ภายใต้ถ้าลี้ลับในหุบเขาแห่งหนึ่งมีน้ําตกบางปากทางไว้ พวกเราตามเข้าไปจนกระทั่งพบซากของมันเพราะว่ามันตายเสียแล้วจากการตายของตัวจากโถงที่ชื่อเอแหวงนั่นเองช้างมหาการของนั่นก็สลายตัวออกไปและไม่ได้หวนกลับเข้ามาราังควานคณะของเราอีกเลยเป็นอันว่าสงบศึกระหว่างเรากับมันลงได้เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ผมเผชิญพบเห็นมากับตาตัวเองแล้วนี่แหละผมจึงเชื่อว่ามันควรจะเป็นไปได้ ที่มีเจ้าจ่าฝูงหัวโจกสักตัวหนึ่งนําบริวารของมันเข้ามาตามล่าตามล้างตามฐานโบวิยะกับพวกโดยบุกเข้ามาทําลายเสียทั้งหมู่บ้านและรวมพวกคอยวนเวียนอลราวาสอยู่อีกต่อไปเมื่อผมมาได้รับฟังการบอกเล่าของเจ้าสองคนนี้ผมก็เชื่อแคไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเป็นโคงเดิมกับโคงไอแหวงที่ผมเคยไปเชิญมาก่อนหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้โดยการมีจา่าโคงนําโคลงขึ้นมาใหม่หรือไองาดําตัวนั้นเป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะแปลวประหลาดนักจันที่สุด เซรีคลางออกมาเรื่องนี้นะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยจะ น, นิดเดียวถ้าเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆที่ผมได้ไปเชิญต่อไปในการเดินทางครั้งนั้นมันมีสิ่งที่ลึกลับมาจัจรย์เกินกว่าที่จะเล่าให้ฟังได้หลายร้อยเท่านักแต่ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดให้ใครฟังได้ทั้งสิ้นเพียงแค่เรื่องช้างยกคนเข้ามาตามล่าตามผานพวกเราชนิดเป็นสืกสิทพันอยู่นานเรากับมีสมองของผีห่าตาซานบงการอยู่เบื้องหลังพวกคุณฟังเป็นเรื่องเหลือเชื่ออยู่แล้ว เอาสครับโดยเส้นทางสายมินานาคตข้างหน้าพวกคุณคงจะได้ประจักษ์แจ้งกับตาตนเองแน่แนว่าถึงเวลานั้นแล้วพวกคุณทุกคนอยู่ในธนะดเดียวกับผมคือรู้เห็นเฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่นำไปเล่าสู่ใครฟังไม่ได้เลยเพราะมันจะเห็นว่าเป็นเรื่องขบขันชวนหัวที่สุดอเมริกันทั้งสี่หันหน้ามองกันเองไปมาเป็นสีหน้าและแววาตาที่ยา่าจะเป็นญาได้ถูกต้อง แต่ที่แน่ก็คือไม่มีใครเหน็นเรื่องขบขันไรสาระนอกจากตะคอแข็งนิ่งงนันไปทั้งคณะสําหรับเชิดพุธพิพิธาเปรีบอยู่ค่อยๆแอบมองดูไ 3, ร่ึ้นจุดสามเ็ดห้แม็กนําของตนเองที่วางอยู่ใกล้แล้วคลางอ่อยออกมาเบาที่สุดพุทธังสานางกระชามิี้ปือาตมากระบอกนี้ถ้ามันจะเล็กไปเสร็จแล้วเอ้ยละพินได้ยินก็หันไปมองผู้เสียงเรียบเรียๆจากสีหน้าต่างเข้าว่า อย่าไปกังวลอยู่เลยครับว่าปืนมันจะเล็กหรือปืนมันจะใหญ่ผมว่าคุณเชิดพุดภาวนาเมื่อกี้นี่นะ่ะถูกต้องแล้วหมั่นท่องไว้เสมอพุทธทางสรานังคาฉามินั่นแหละดีที่สุดแล้วและพยายามแผม่เมตตาเข้าไว้ไม่จําเป็นจริงๆอย่าใช้ปืนดีกว่าไต้หายิ่งพูดยิ่งขนหัวลุกคนตรีหนุ่มร้องร่านออกมาแต่พินเราไม่คิดว่าคุณจะเอาเรื่องเหลวร้ายอะไรมาเล่าให้เราฟังหรอกนะใ น, นที่สุดใ น, นที่สุดดรสเตลลี่ก็กล่าวขึ้นทางยิ้มก่อยๆ ตัวข้ามอกเราเกับรู้สึกว่าคุณจะพยายามไม่พูดความจริงอะไรที่เป็นความรู้สึกหรือประสบะการณ์ของคุณที่ผ่านมาแล้วให้เราฟังเสียด้วยซ้าไปนอกจากจะขัดไม่ได้เมื่อเราเซาสีถามเรื่องอื่นเราพักไปก่อนพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่เราอาจจะเชิญดีกว่าผมหมายถึงไอ้งานดํำตนนั้นคดูไอ้โครงของมันคุณคิดว่าจะมีอุปสรรคสาหรับเรามากไหมจอมทานยิ้มเหนื่อยๆตามลักษณะนิสัยของเขาก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรถ้าเราคิดจะหลีกหลบมันเสีย แล้วคุณคิดว่าเราจะหลบมันได้หรือคึกคำถามเกือบเป็นกระซิบและพินมองละไปตามรายบุคคลก่อนตอบด้วยเสียงปกติว่าผมหวังไว้เช่นั้นถ้าหลบได้เราก็จะหลบแต่ถ้าหลบไม่พ้นพวกคุณก็มีโอกาสที่ใช้ความเป็นนักแม่นปืนและความสามารถในการเป็นชนพายทุกด้านที่เคยฝึกไว้แล้วเพื่อช่วยตัวเองสําหรับผมนะไม่ต้อ ง, องอกังวลหรอกเพราะจะต้องช่วยพวกคุณก่อนช่วยตัวเองอยู่เสมอทั้งหมดนิ่งอึ้งไปพร้อมกันอีก เฮ้ฮันเตอร์เราไม่ชอบที่จะให้ช้างป่าสังโครงเดินสวนสนามเข้ามาหาขบวนพวกเราเลยนะอะไรก็ไม่สำคัญนอกจากว่าเรามีสัมภาระจำเป็นในการทำงานข้างนี้ติดตัวมาด้วยมากจะส่างรู้เสียหายไม่ได้เลยเบลทานออกมาตามที่ใส่อเมริกันแท้และเพนเลิกคิ้วขึ้นมาข้างหนึ่งคุณไม่ชอบและผมชอบเหรอทานของผมลูกหับทั้งหลายรวมทั้งเจ้าคาโตและอุทาตลอดจนเจ้าเซอิรนที่นอนขแมวขมวอยู่นั่นประหวนแล้วแต่ไม่ชอบให้ช้างเดินขบวนเข้าหาทั้งสิ้น ทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดเสือกเตยเข้ามาหาล่ะอะไรจะห้ามันได้สัมภาระข้าวของผมว่ายังไม่จําเป็นเท่ากับชีวิตและความอยู่รอดของพวกเราแต่ละคนโดยเฉพาะชีวิตของพวกคุณเองท่าไหลายหรือว่าสัมภาระสิ่งของมีความสำคัญเหนือกว่าชีวิตก็โปรดบอกผมด้วยผมจะได้ทราบล่วงหน้าด้วยเวลาเกิดเหตุจาเป็นจริงๆผมจะได้หาทางป้องกันอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้ของพวกคุณไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเบลนิงคริสมองตาเขาเสียงของมอนมีกระแสเพ้อ ในคุณสัญญาแล้วว่าคุณจะไม่พูดรวนกับเรายัางไงลาเมื่อตะกี้นี้ขณะที่เบลเย็บแผลกระเหลี่ยงคนนั้นฉันรู้สึกว่าคุณจะชื่นชมและขอบคุณเบลเหลือเกินแต่หลังจากนั้นนิดเดียวเบลอาจจะพูดคิดหูคุณไปหน่อยเท่านั้นคุณก็เชื่อถือเขาเสร็จแล้วถ้าย่างนั้นผมก็ขออภายัยผมไม่ได้มีเจตนา <S <S เขาพูดจากเขาพูดจากใจจริงแล้วยิบอ่อนโยนให้เอ็สเวลแม่ผมแดงไม่เสียอาการสรรื่อสารหรืออ่อนไหวทางอารมณ์โบกมือโอเคฟัเกด เส้นหมายจงแต่เพียงว่าคุณควรจะหาทางหลีกเรี่องการมาทัท ก, กับช้างโครงมากข้างเหมือนผีสิงโขงนั้นเราเชื่อในความสามารถของคุณว่าคุณจะนําหลีกหลงมันได้และทิงกล้มศึรษาให้นิดหนึ่งผมจะพยายามครับหมอเขอพึ่งจะเรียกอิสเบลว่าหมอเต็มปากเต็มคําเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เห็นหลอนปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเจ้าเสอเอินอย่างเต็มไปด้วยสมรรถภาพและบอกกับตนเองว่าต่อไปนี้จะไม่ถึงสากับกวนจาซึ่งบางขณะอาจจะฟังดูกระโดกกระเดกและคนก้าวร้าวของเบลอีก อย่างน้อยที่สุดจากการคบหาร่วมทางกันมาก็พอจะรู้ว่าเวลเป็นคนตรงไปตรงมาดีและไม่ค่อยจะมีจิเห็นแง่งนอน ก, กับเพาะกระเซียดเยี่ยงเท่หญิงทั่วไปนักตรงข้ามกับคริสซึ่งฉี่ทั่วในอารมณ์ละอ่อนไหวลึกซึ้งมากกว่าผู้หญิงอย่างเบลจะไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเขานักในการคบหาใกล้ชิดเพราะหล่อนดูง่ายๆในทุกอย่างแต่ผู้หญิงอย่างครสเป็นสิ่งที่เขามีกังวลลึกออกจะหวัน่นวั่นอยู่ไม่น้อยเดียวจากดวงตาสีฟ้างามที่มีประกายคงฤฤซึ่งซ่อนเล้นความรู้สึกทกวงไว้จน ยากที่จะอ่านออกได้ซําร้ายแม่ผมทองยังมีอะไรอยู่บางส่วนในด้านอปนิสัยและความรู้สึกใกล้เคียงกับแม่ดอกฟ้าดาราของเขาซึ่งเขาไม่ชอบให้ผู้หญิงคนไหนในโลกนี้มามีส่วนใกล้เคียงกับราชนีปูสาวคนนั้นตัวใจตนเองจะควยเขวอเขาพูดว่าเขาจะพยายามหัวหน้าคณะพูดกับ พ, พวกทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้ยืนยันรับรองกับเราว่าเราจะไม่เจอกับไอ้ช้างไวไัยร้ายโขงนั้นเพราะฉะนั้นทุกคน ต้องรับรู้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปว่าการไปชิญน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ทั้งสิ้นเราจะต้องวางแผนการรับมือกับมันไวใ้ให้พร้อมจำเประมายไม่ได้เลยเป็นความรอบคอบดีมากครับที่คิดเช่นนั้นแต่พิมพ์บอเบาๆจากประสบการณ์ของคุณรัศมีการท่องเที่ยวหากินหรือไกลเคลื่อนย้ายของสายประเทศช้างมีอยู่ในอนาบริเวณสักเท่าไหร่เพื่เริ่มสอบเพื่อหาหลักในการคำนวณตามมิสัยของนักการทหาร ว่าระหว่าง 6- กสถึงแปตารางไมล์พวกมันจะเดินการท่องเที่ยวได้อยา่างสบายภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงด้วยความสามารถในการเดินของมันนั้นไม่มีขีดจำกัดสุดแต่ว่ามันอยากจะบ่ายหน้าไปในจุดไหนต่อให้ไกลสักเท่าไหร่ประมาณพันไมล์ก็ตามมันก็ไม่ย่อดเทอถ้าสภาพเส้นทางเดินอนํานวยให้แก่มันการเดินของทางช้างสามารถเดินข้ามประเทศได้อย่างสบายสุดแต่เส้นทางและระยะเวลาและขณะนี้เราหาจากปู่บ้านตะกินทองตำแหน่งที่มันอารวาดเพื่อนเพื่อนอยู่เท่าไหร่ คำถามติดต่อมาอย่างรวดเร็วประโยคนี้เป็ของเชิดวุฒิกะว่าไม่ควรจะเกินกว่า2 5่สถึงสาไมล์เป็นอย่างสูงส พ, พื้นที่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วทุ่งโล่งบ้างลงทึกบ้างแต่เป็นพื้นที่ในระดับราบเชิดวุฒิผิวปากยาวหันไปทางหัหน้าคณะถ้าอย่างนั้นก็สบายมากเราอาจจะจะเอ ก, กับพวกมันเมื่อไหรก็ได้ทั้งสิ้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าเราจะหยุดอยู่กับที่เดินไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังไปที่สับบอนห้าห้ามันละโว้ย วยกหลังนายพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกพูดบนหัวเราะเหมือนจะกล่าวกับตนเองแล้วกดปุ่มล็อกขวาเปิดพันพับของน้ำซินลี่เพื่นของเขาให้ดีบออกกระสุนจุดสามจ็ดหแมกนัมชนิดซิวอทิปบรรจุอยู่ก่อนแล้วล่วงหมดมาอยู่กับเพื่อนเขาเก็บใส่กระเป๋าโลกเอากระสุนแบบหัวแข็งคลูแฟกซ0สามร้อนขึ้นมาบรรจุแทนที่ทีละนัดและโดยไม่ต้องตัดเตือนบอกกล่าวอะไรกันทั้งสิ้นทางสเตอรี่และคีสก็ชุนลเพ่นขึ้นมาเปลย์กระสุนทันที่เหมือนกัน โดยบรรจุลูกหัวแข็งร่ว น, วนแทนลูกหัวอ่อนคงมีแต่แม่มสาวสองคนเท่านั้นที่นั่งกอดเขา่าเอามือเท้าคลางซอยเปลือกตาอยู่ติบๆละพินถ้าหากคุณจะได้งาช้างที่เป็นสีดำสนิทราวก้อนเม่นไว้เป็นโทฟรฟี่สักคู่หนึ่งก็ไม่เลวหรอกนะไม่ใช่หรืออยู่ๆแม่ผมทองก็เอยเบาๆกับเขาอย่างไม่มีสีมีคุยแต่วางสีหน้าราบเรียบที่สุดจ้องพันเหลือบตาที่มองหน้า ผมเดินทางมาในครั้งนี้รับแจ้างคุณหาระเบิดนิวเคลียสินตะกตินครับไม่ได้รับจ้างมาหางานช้างสีดำหรืออื่นใดทั้งสิ้นมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมเบลถาม ง, ง่ายๆวิทยุติดต่อกับกองบัญชาการของพวกคุณให้เขาส่งกันชิปติดตรวสมาคอยคุ้มกันสนับสนุส น, นพวกเราด้วยเมื่อถึงคราวจาเป็นเขาบอกยิ้มยิ้มพึ่ส อ, อยากมายนิดหนึ่งถอนใจยาวแล้วหันไปทางหน้าขนานของเขา <c oughs> ตาพันเท่าบุญคําเคยกระซิบบอกฉัน ให้คอยสังเกตอาการกับกลยุยาของแานใหญ่ตคนนี้ไว้โดยบอกว่าถ้าเขานิ่งเฉยเคร่งขรึมอยู่ในสภาพปกติของเขาอย่างที่เราเคยเห็นกันเขาแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีแต่ถ้าเขาทำตลกขบขันหรือยิ้มง่ายๆเมื่อไหร่ก็ขอให้ระวังตัวไว้ด้วยเถอะมันเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบถึงอันตรายใกล้ตัวของพวกเราุคนแล้วข้งหน้ฉันก็ไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงเข้าเขาตามที่คนนั้นบอก เพราะว่าชายคนนี้เริ่มยิ้มง่ายและเริ่มจะพูดจาตลกอันไร้สาระกับพวกเราเพราะฉะนั้นจะวางแผนกันยังไงก็เรียบๆแนะตกลงกันไว้จะกอดเถอะเตื อ, น, อนมันไม่ค่อยจะดีเส็จแล้วเดลเซอรี่กว่าสายตามองดูภูมิประเทศอันเป็นป่าไผ่ทึบซึ่งคณะทั้งหมดจะต้องวางแคมป์พักคืนอย่างน้อยก็ตลอดทั้งวันและอีกคืนหนึ่งด้วยการพลิกเคราะ์ลักษณะของมันเป็นเส้นทางเดินเล็กบ้างใหญ่บ้างมากมายเชื่อมโยงกันเหมือนใครเอามาตัดเป็นตอกซอกซอยเอาไว้ ด้านบนมีลักษณะมืดครึมเพรากิ่งใบของไผ่ปกคลุมบางท้องฟ้าไว้ราวกับถ้ำหรืออุโมงค์รอบตัวก็เต็มไปด้วยกอไผ่ขนาดต่างๆกันสลับไปกับพุ่มพงน้ามีแสงตะวันรอดส่องใบไผ่ลงมาสว่างเป็นจุด ๆ, ๆุดทั่วไปภาพของอากาศในยามนี้อยู่ในลักษณะอบอ้าวค่อนข้างอับทางลมขณะนั้นเวลาประมาณ1ิบเนาิกาสนาทีการเดินทางของวันนี้เริ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็มีเหตุให้สุดช ง, งักลงเสียแล้ว ปลอดภัยของคุณที่เรารู้หน่อยสิสพินครั้งแรกหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเ บ, บิดนิวเคลียตก็ทําได้ความเงียบขึ้นตามแผนเดิมของเราจะหยุดพักที่นี่ก่อนจนเดย2ยสชั่วโมงไปแล้วเพื่อให้แน่ใจที่สุดก่อนว่ากาเรียนที่ได้รัก บ, บาดเจ็บสาหัสคนนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอย่างนั้นไม่ใช่หรือครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจำพันย้อนถามทั้งหมดฝ่ายในจ้างแล้ะตาเองแล้วพากันตุ๊กศีรษะลงใช่ถึงอย่างไรเราก็ยังไม่ออกเดินทาง ทะทิ้งเข้าไปจนกว่าเบลจะเห็นว่าปลอดภัยดรสเตอร์รียตอบอย่างหนันแน่นถ้าเช่นนั้นก็เป็นอย่างที่พวกท่านต้องการเมื่อเกิน24ชั่วโมงไปแล้วโดยหมอเบลบอกว่าอาการของสเตอร์นพอจะปล่อยได้ผมก็จะให้เพื่อนของเขาทั้งสองคนทางแค่หามคนเจ็บบายหน้าลงไปยังหมู่บ้านซักบอนตามจุดเดิมของเขาส่วนพวกเราก็เดินสวนไปในทิศทางเดิมเช่นกันโดยมุ่งหน้าสู่ทะเกียนทอ แต่ใจจริงของผมนั้นระหว่างที่พวกเราทั้งหมดยังพักอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปโปล่าๆผมอยากจะส่งคนของเราร่วมหน้าไปสืบหาข้อเท็จจริงที่จะเกียรทองก่อนเชื่อว่าคงจะได้พบกับโบบิยะและเมื่อพวกเขาอพยพหนีภัยจากกองช้างนั้นรอจนสืบหาน่องลอยทิศทางของการเคลื่อนไหวของพวกมันด้วยโ no. ห, หนวานาคณะบบกมือร้องเสียงต่าๆในลำคอผมไม่เห็นด้วยในข้อนั้นพวกเราทั้งหมดทุกคนไม่ควรใช้ใครแยกตัวออกไปเลยทั้งสิ้น เพราะอันตรายมากผมเชื่อว่าคนของคุณที่ส่งให้ร่วกหน้าไปสืบข่าวเรื่องราวจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือดีไว้วางใจได้แต่ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าผมก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงเขาได้เหมือนกันถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเรื่องน่าเสียใจมากเราควรจะรวมกำลังกันอยู่ได้ครบพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนในภาวะเช่นนี้ถ้าไปก็ควรจะไปพร้อมๆกันหมดและโปรดอย่าบอกได้ว่าคุณขอลูกหน้าไปเองเพราะนั่นจิ้งเลวร้ายใหญ่เลยทุกคนของเราทั้งหมดถ้าหากไม่มีคุณเสียคนเดียวผมก็ไมว่วางใจใครอีกเลย แม้แต่การท่าบนคําที่แจ้งว่าอาสุดเอาวุสที่สุดก็ตาม <c oughs> ความจริงในระยะทางจากนี่ถึงปตะเคียนทองก็ไม่ไกลนักถ้าเดินตัวเปล่า <c oughs> คนเดียวผมสามารถไปถึงที่นั่นและย้อนกลับมาที่นี่ได้ทันก่อนเที่ยงคืนของวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็มีวิธีติดต่อตัวเองอยู่ด้วยมีอะไรก็สามารถจะติดต่อสงขาวก็ได้ถึงทุกระยะเอาแล้วยังไงล่ะนี่จะทิ้งพวกเราไว้ที่พาวาช่นีจริงๆเหรื อ, อเปลเบลวยไวขึ้น อ้าวและจะต้องกลัวอะไรแ้าพินเขาไปเพียงคนเดียวนะพวกเรายังอยู่ครบกันหมดปืนและอาวุธทุกชนิดพร้อมมูลไม่เห็นมีอะไรน่าห่วงเลยเชิดพุษแก้งพูดขึ้นหน้าตาเฉยคทธิ์สันความมองหน้าคนพูดหลอนดูเหมือนจะเท่าททนความคิดแต่ไม่เอ่ยคําใดทั้งสิ้นนอกจากใช้สายตา บ, บริภาษแทนวาจายิดเอามือตบหลังเชิดพุดเบาถามบนหัวเราะว่าบุษนายเคยถูกช้างไล่เอางวงคว้าตัวอย่างหวุดหวิดมาแล้วหรื อ, อยังยังหวะ ดูแล้วเอาไว้ถึงเวลานั้นเสียก่อนแล้วนายจะรู้เองว่ามีความรู้สึกอย่างไรฉั้นมันเคยแล้ววะถ้าละพินยิงสกัดไว้ไม่ทันฉันก็ว่าดภาพตัวเองไม่ถูกเป็นกันว่าจะถูกแยกขาดออกเป็นชิ้นส่วนลักษณะไหนบ้างเคยถูกรถถังของเวดกองไล่ที่นี่มาแล้วแต่คราวนั้นก็ยังไม่ขันหนีดี่อเข้าถูกช้างไล่เหยียบเมื่อเช้าวันซืนนี้แทบช็อกเลยแล้วนายผมทรงลานบินก็มองไปยังจอมพลบอกว่า พวกเราทุกคนมีความเห็นว่าไม่ควรจะให้ใครแยกไปทั้งนั้นโดยเฉพาอย่างยิ่งตัวคุณเองยิ่งแล้วใหญ่เพราะระหว่างที่คุณไม่อยู่พวกมันเกิดบุกขึ้นมาจะไม่มีใครคุมสถานการณ์ได้พวกเราชำนานแต่จะทานประทักกับข้าสึกที่เป็นคนด้วยกันแต่สารภาพว่าไม่ชำนานในการที่จะรบ ก, กับกองพับช้างซึ่งนั่นมันควรจะเป็นหน้าที่ของคุณพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ร่วมด้วยขันของพวกเราก็ไม่มี นั่นเป็นความสารภาพที่เปิดเผยออกไปจากกลุ่มของนายเจ้าอเมริกันซึ่งวุนแล้วแต่มีความถือดียะโสโดยเห็นว่าภายจากบ า, บาดบดงดำเป็นเรื่องไร้สาระ คนเราลงได้ละที่ขีความปวดตีลงแล้วเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหินใจและไม่ควรจะมีการต้องกันแกล้งให้ได้รับบทเรียนอะไรอีกเพียงแค่ไม่กี่วันของการเดินทางมาด้วยกันเท่านั้นอัมาารรจันกลุ่มนี้เปลี่ยนความรู้สึกนิสัยและท่าทีเดิมๆของตนเองหน้ามือบหลังมือและในการพิจารณาของรับพินไพรวันคนกลุ่มนี้หาใช่คนโง่หรือรันเกินไปไม่เพียงเหตุร้ายๆที่เกิดขึ้นไม่กี่อย่างอันเป็นบทเรียนอย่างตีก็สอนให้ได้รู้สึกแล้ว ตกลงเมื่อพวกคุณไม่ต้องการให้ผมหรือพวกเราคนใดคนหนึ่งแยกจากไปก่อนในภาวะเชน่นนี้ผมและพวกเราทุกคนก็จะอยู่พร้อมหน้ากันนั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดวน่าคณะยิ้มออกมาอย่างพอใจว่าแต่ว่าพวกคุณทุกคนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างร้ายโคงนี้แล้วหรือยังพวกคงจะพอรู้เรื่องคร่าวๆบ้างแล้วจากเกลี้ยงสองคนนี้เพราะพวกนี้คุยจะมาก่อนแล้วทั้งหมดหาทางกลุ่มพันเพื้นเมืองของระพินและพวกลูกหักต้องหลายที่สารกบนทำงานกันอยู่เป็นกลุ่มๆเกี่ยวกับการวางแคมป์และสูบน้ำย่างเนื้อ เห็นคนเหล่านั้นพูดจาหัวเราะเย้าหยองและทํางานกับไพภัอย่างปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตไปได้ทั้งสิ้นก็แปลว่าเขาเหล่านั้นควรรู้แล้วว่าพวกเราทุกคนอยู่น่าจะมีอันตรายจากโถงช้างร้ายที่จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้จะดูเหมือนพวกเขาจะไม่วิตกกังวลอะไรกันเลยนะริสพูดขนลุมทำพวกคุณจะต้องเข้าใจจะก่อนคนของผมทุกคนที่ทัดตัวเรื่องมาในครั้งนี้ไม่ว่าพรานหรือพวกลูกหาเคยชิมเสียแล้วกับเรื่องร้ายๆในป่าดง พวกเขาจะไม่สะดุ้เซื่อนหรือมัวคิดวังวนขวัญเสียต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะทุกคนล้วนผ่านะจญกันมาแล้วจนชาชินเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดลำพังพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถเอาตัวรอดได้ทั้งนั้นอย่างน้อยหรือแม้บางคนอาจจะไม่มีปืนดีหรือมีฝีมือนในการยิงปืนแม่นยำอะไรนักแต่เขาก็วิ่งเร็วฉนาญภูมิประเทศหลบหลีกเก่งรู้ทางหรีที่ไล่เอาตัวรอดได้ทุกคนนั่นแหละ ถ้างั้นก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าการวิ่งเร็วหรือการดลบเก่งเอาตัวรอดเก่งอย่างเดียวนั้นยังไม่พอขอให้เขาเหล่านั้นช่วยเอาสิ่งของสัมภาระของเราให้รอดปลอดภัยด้วยพร้อมกันไม่ใช่ทิ้งของเอาตัวรอดอย่างเดียวสเตอรี่บอกยิ้มยิ้มระพินหัวเราะครับโปรดอย่าห่วงเรื่อ น, นั้นเลยผมจะกระชับเขาเองถ้าเผชิญหน้าจะเอาอยัางไงที่ถามมาอย่างเป็นงานเป็นการโดยธรรมชาติของช้างป่าทั่วไปไม่ว่าจะโขงใหญ่สต่แค่ไหนถ้าหากเผชิญหน้ากับมนุษย์ อาจทําทอาการทุบความและปรีเข้าใส่ก่อนแต่ถ้าถูกยิงลง้มลงศักตัว2ตั ว, ตวหรือมีการถูกปืนบาดเจ็บไปบ้างก็จะผ่านี้นั่นผมหมายถึงช้างป่าธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะว่าของของไอ้งาดําที่บุกเข้ามาขยี้หมู่บ้านตะเกียนทองนี้สอบตูวพฤติการของมันตามที่เกระลี่ยงสองคนนี้เล่าให้ฟังรู้สึกว่ามันจะผิดธรรมชาติออกไปจากปกติมีความู่ร้ายอาฆาตแค้นมุ่งเจตนาร้ายรุนแรง มีความกล้าและคนบ้าเลือดและมีความสามาัคคีรวมกันเป็นกําลังจํานวนมากภายใต้การนําของตัวหัวหน้าซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก็จ่ดว่าเป็นศึกใหญ่ที่น่าหนักใจพอสมควรเพราะพวกมันยากที่จะถอยแต่จะมุ่งตะรุยบุกเข้ามาถึงตัวเราโดยไม่มีการคํานึงถึงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดเผชิญหน้าโดยบังเอิญหรือโดยแผนการรอบเข้ามาโจมตีของพวก มันก็ตามสิ่งที่พวกเราจําเป็นจะต้องทําก็คือพยายามฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดเลือกยิงเฉพาะตัวที่เข้ามาใส่ถึงเราก่อนลดปรี๊เข้าหาที่กาบังไว้ยาหมดสติตหรือเสียขวัญโดยเฉพาะพวกคุณจงช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะคํานึงถึงคนอื่นๆส่วนทางด้านผมก็ได้กําหนดหน้าที่ของภายคุ้มครองประจาตัวแต่ละคนเอาไว้แล้ว จะคอยช่วยยิงสกัดช่วยเหลือให้มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งคือมันทนลูกปืนไปได้ไม่ได้หรอกครับเจ็บหรือตายมากๆเข้ามันก็ควรจะเพ่นนีไปเหมือนกันแล้วเขาก็หัวเราเออกมาเบาๆเรื่องช้างผูกเราจะต้องยิงกระแมันไว้ผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าเกรงขามอะไรนักเรื่องที่จะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือในขณะที่สับสนชุลมุนขอให้ระวังทิศทางของกระสุนปืนให้ดี อันตรายจากการยิงถูกพวกเรากันเองจะมีมากกว่าอันตรายที่จะได้รับจากช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคนที่มีไรเฟินอัตเมติประจำมืออยู่ควรจะต้องระวังให้มากที่สุดผมว่าการตั้งกลไกให้ยิงแบบกึง่งอัตโนมัติทีละนัดจาก AR-15 ก็เหลือเฟือเกินพอแล้วเพราะถึงอย่างไรก็ยิงช้างได้อย่างรวดเร็วในวงกระสุนถึง30นัดตอนหนึ่งแมกกาซีปลอดภัยกว่าที่จะยิงรัวแบบรัวอตโต้เิกบลผู้ใช้ survival l i f นของหน่วยพลลมประจําตัวอยู่แล้วหันมามองหน้ากันเองแล้วยักไหลขึ้นพร้อมกันขอบคุณที่เจตจนาเตือนมายัางเราทั้งสองคนโดยเฉพาะเบลว่าแต่ว่ากระสุนเพียงแค่ขนาด 5.65 มมสําหรับยิงคนมันจะให้ประโยชน์อะไรขึ้นมาได้ในการทําสงครามกับช้างคุณเคยบอกเราไว้แล้วไม่ใช่หรือถ้ามันจาเป็นขึ้นมาจริงๆมันก็ดีกว่ามือเปล่าปืนพกสัน้นหรือว่าปืนลูกซองหลายเท่า กระสุนจกักะปืนกลมือประจําตัวผลุล้มของคุณถ้าสามารถยิงเข้าบริเวณที่ตั้งของสมองช้างอย่างแม่นยําตรงเป้าหมายโดยไม่ถลายรื่นไปส่วนอื่นเสียนัดเดียวก็สุดเหมือนกันและความได้เปรียบก็มีอยู่ในกรณีที่สามารถยิงซ้ําได้อย่างรวดเร็วและจานวนกระสุนที่บรรจุได้มากกว่าเกับการเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่ได้อย่างรวดเร็วกระสุนเล็กแรงพะทะน้อยแต่ถ้าอํานาจการยิงซ้ําสามารถทําได้อย่างติดต่อรวดเร็วมันก็ไม่เร็วจุดเดียวแหละในการป้องกันตัวในฉากตลุมบอล แม้จะเป็นช้างก็ตามสรุปก็คือปืนของคุณสองคนใช้งานในหน้าที่การป้องกันตัวได้แต่ก็ไม่ปลอดภัยนักในการที่ใช้ตามล่าฆ่าสัตว์เพราะมันใช้กันในคนลัสลักษณะกันเรามีไรเฟินอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่กระบอกนารพินเซรีถามเร็วๆสมองเริ่มวางแผนคือสามเจดห้าแม็ก้ากระบอกอยู่ในมือพันของผมสี่คนตุนเชิดวุฒหนึ่ง จุ4 5 8แม็กก็สามกระ บ, บอกผมท่านด็อกเตอร์แล้วก็คิดนอก น, นั้นก็อยู่ในมือของพวกลูกหาที่เป็นลูกซองเดี่ยวบรรจุเดี่ยวบ้างแฝดบ้างอีสกสิกระบอกแต่ทางด้านผมมีลูกโดดของลูกซอมาด้วยประเดียวผมจะแจกให้ประจำปืนของแต่ละคนเหล่านั้นเอาไว้ด้วยคนละ5นัดถ้าจะบุบบอลก็ขึ้นมากระสุนลูกโดดจากปืนลูกซองก็พอจะช่วยได้เหมือนกันดีกว่าจะใช้ลูกปลายาหณวคณะหายไปปรึกษาหาเรูบาวกับคีดและเชิดวุฒิอึดใจหนึ่ง ก็มองมาทางเขาถามยังไม่สู้จะแน่ใจนักว่าพวกเราทั้งหมดมีอยู่20คนนาราพินไลเฟิลที่พอจะเชื่อใจได้มีอยู่แค่8กระบอกเท่านั้นโดยไม่นับ a r 15ของคริสกับเบลและอีก2กระบอกที่เราเอาติดมาในกองสำหรักลางด้วยส่วนปืนลูกซองของพวกลูกหาแม้คุณจะแจกลูกโดรนเข้าประจำตัวไว้ก็จะไปหวังอะไรไม่ได้มากนักสําหรับกองทัพช้างที่มีจำนวนเกินกว่า40หรือ50ตัวขึ้นไปตามรายงานข่าวที่เราทราบ เราจะยอมให้คนของเราคนใดคนหนึ่งได้รับอันตรายไม่ได้เด็ดขาดแบนจะเป็นลูกหาก็ตามเท่าเๆกับที่สัพยากรจำเป็นของเราก็ต้องรักษาไว้อย่างปลอดภัยที่สุดด้วยคุณแน่ใจหรือว่าเราจะขับไร่บรรไดเราเป็นใครวันอึ้งไปชั่วขณะโดดก้นสก้าจนแก้นตอบก่อนจะขยี้ลงดับกับเพื่นตรงหน้า ถ้าทาไม่ผิดรู้สึกว่าคุณจะระมัดใจอยู่มากเหมือนกันใช่ไหมเบลสกิดข่าวถามเป็นภาราที่ออกจะหนักใจสำหรับผมในการจะให้คํารับรองใดๆเพราะทางฝ่ายคุณตั้งความหวังไว้สูงมากเกินไปชีวิตคนทุกคนนั้นผมยังพอจะรับประ ก, กันได้บ้างแต่ข้าวของสัมภาระใครจะกล้ารับรองหากชาตาทั้งคงบุกตะเลยเข้ามาซึ่งแต่ละคนก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในภาวะเช่นนั้นความสับสนวุ่นวนยายจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ พวกลูกหัดเองก็ต้องคิดถึงชีวิตของเขาก่อนอื่นใครจะมามวลระวังของอยู่โอกาสที่สินค้าจะแตกหักเสียหายหรือถูกทุำลายไปอาจจะมีขึ้นได้พเพราะข้าวของเหล่านี้ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีขาจะเคลื่อนไหวหนีตัวเองจากภัย ส, งสังร้ายได้ส่วนคนที่คอยรักษา ป, ป้องกันข้าวของนั้นก็ต้อ ง, ร ะ, งระวังป้องกันชีวิตของตัวเองไว้ก่อนเสียงของเขาถอนหายใจยาวถอดหมวกออกมาตบกับขาตนเองเอาละครับแต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายผมบอกได้แต่ว่าเราจะพยายามป้องกัน สัมภาระสิ่งสอกของของพวกคนอย่างเต็มความสามารถที่สุดในทุกวิถีทางแต่อย่าตื่นกับให้คำมั่นสัญญาเลยนะครับเสี่ยงกันดูก็แล้วกันเพราะเป็นคนพูดอะไรตรงดีแล้วเราก็ควรจะพอใจที่สุดแล้วสเริลล์กล่าวกับพวกทุกคนยังแมนเป็นอันว่าเราเข้าใจตามที่คุณพูดมาอย่า ก, กังวลเลยปลาเลึกตรงเดือดแผบนี้มีอะไรต่ออะไรที่ออกจากเกินความคาดหมายของเราไปมากทีเดียวบอกตามตรงๆว่าเมื่อแรกผมไม่คิดว่าภัยมันจะมีมาในรูปแบบนี้ เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องโลกหรือความเจ็บป่วยเสียมากกว่าอีกอยางหนึ่งก็มัวคอยระแวงอยู่แต่เฉพาะเรื่องจะถูกายตรงขั้นซุ่มโจมตีดักทำร้ายไม่เชื่อจริงๆว่าสัตว์ป่ามันจะกลายเป็นอุปสรรคข้อควรใจของเราจนถึงขั้นเป็นทหาหนักให้ต้องคิดผมเตือนพวกคุณก่อนหน้าการออกเตินทามาแล้วคาบอกเล่าของผมมันไร้ประโยชน์จนกว่าพวกคุณจะพบเห็นด้วยตาตนเอง ไม่มีป่าส่วนไหนในโลกนี้จะรุร้ายและเต็มไปด้วยอาถรรพ์ลี้ลับเท่ากับป่าที่ผมจะต้องนําทุกท่านผานเข้าไปและโลกภายนอกก็ไม่อาจจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นผมจึงย้ำขอร้องไว้หนักหนาว่าได้โปรดกรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามข้อแนะนําของผมจะช่วยให้ท่านเสียงน้อยที่สุดและผมเองก็จะได้เบาใจลงด้วยมิฉะนั้นผมก็มัวแต่เป็นภาวะกังวล่วงหน้าผัวงหลังหนักใจเป็นสารพัดอย่างทําให้เกิดอารมณ์ขุ่นเิืขึ้นมาได้โดยไม่จําเป็น หัวคณะค้นหาเวิร์ดนิวเคลียมองไปยังฝ่ายของตนทุกคนเหมือนจะเตือนให้สดับรับฟังคําพูดของมะระเทศนําทางและจําใส่ใจไว้พระพูดขึ้นว่าต่อไปนี้ผมเชื่อว่าไม่มีพวกเราคนใดคนหนึ่งเห็นคําพูดของคุณเป็นเรื่องเหลวไหลและคงไม่ทําให้คุณต้องหนักใจอีกที่แล้วมานั้นต้องขอโทษแทนด้วยถ้าหากว่าจะมีพวกเราคนใดคนหนึ่งไม่เชื่อฟังคําสั่งของคุณไปบ้างเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ดีแล้ว ทางอเมริกันผูดว่าโศที่สุดในคณะก็บุ้ยปากไปทางคนเจ็บที่นอนอยู่พร้มกับเกะเร็กอีกสคนซึ่งนั่งดูอาการของเพื่อนอยู่ใกล้ๆต่อมาว่าพวกนั้นบอกว่าจะมุ่งหน้าไปตามคุณที่หนองน้ําแห้งเกี่ยวกับเรื่องช้างร้ายโขงนี้ไม่ใช่หรอครับพวกเขามีความคิดยังไงเขาหวังไว้ว่าจะลงไปตามคนเพื่อมารบกับช้างเกเรที่คุมกันเป็นกองทัพอย่างนั้นหรือคือถามแทรกขึ้นมาด้วยเร็ว ผมเคยบอกไว้แล้วว่าชาวป่าชาวดอยแต่ละแวกนี้สารทุกข์สุบิบยังไงก็ามาักจะไปบอกต่อใ้ผมรู้เสมอพวกเขาไม่ได้หวังจะให้ผมไป ร, รบกับชาตที่รวมกําลังกันอยู่เป็นกองทัพแต่เขาเชื่อมั่นว่าถ้าผมช่วยเขาโดยการติดตามร่มไอ้ตัวจากโขลงสำคัญที่มีงาสีดํานั่นลงเสียได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นลูกโขลงบริวารอื่นๆ ต, ต่อให้มีจํานวนมากสักเท่าไหร่ก็ตามจะเกิดการขยนันและสลายกําลังแยกย้ายกันออกไปนั่นเป็นความเชื่อถือของเขา แต่ผมก็ไม่ได้เชื่อถือมือตัวเองถึงขนาดนั้นและถ้าแม้นว่าผมไม่ติดงานสําคัญนําพวกคุณเดินทางในครั้งนี้โดยยังอยู่ที่หนองน้ําแห้งแล้วพวกนี้เราไปพบผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าทีนี้เหตุการณ์บังเอิญให้ผมมีภาระนําพวกคุณเดินทางสวนขึ้นมาพบ ก, กับเหตุการณ์นี้พอดีขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าเมื่อเราผ่านหมู่บ้านทรับบอนพวกนั้นเดือดร้อนน่องเสือเอาไปกินคน ก็มาขอรอผมช้างหนึ่งแล้วออพอเราขะจากซับบอลขึ้นมาพวกไะเกียนทองอยู่ในภาวะที่ซ้าร้ายหนักลงไปอีกบ้านบ้านแตกสลกครับร่มตายกันปน้นฝนปี่เพราะช้างอรารวาซึ่งผมเองก็ยังถือหลักเติมของผมอยู่นั่นเองคือพยายามที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงโดยมุ่งหน้านําทางให้พวกคุณอย่างเดียวที่เรากําลังจะปึกษาหาเรือกันอยู่นี้ไม่ได้ปึกษาหาเรือกันในด้านปราบช้างคงนั้นแต่เราหาเรือกันในข้อที่ว่า พ้าหลีกไม่พ้นเพราะเส้นทางเดินของเราบังเอิญเข้ามาอยู่ในรัศมีของมันเราจะแก้ไขกันอย่างไรต่างหากไม่ใช่ว่าเราจะต้องรับภาระไปตามล่าช้าให้เขาให้เสียเวลาทำงานของเราสิ่งที่ผมขอรอ้องพวกคุณอันนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่ของผมและตั้งแต่ออกเดินทางมาก็เห็นจะมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องขอให้ช่วยรักาษากรเียงบาดเจ็บคนนั้นถ้าหากยมพอเห็นทางว่ายัางจะช่วยขอรอดได้ และเราก็ได้ข่าวอันเป็นประโยชน์จากเขาเหมือนกันเพราะถ้าไม่บังเอิญมาพบพวกนี้เสียก่อนเราก็จะไม่มีโอกาสทันระวังตัวรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าในผลทางที่เราจะผ่านไปมีช้างดุร้ายเกเรก่อโกรธอารวาสอยู่ซึ่งอาจจะดักเล่นงานพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้เบลรองเสียงใสเอากิ่งไม้แห้งท่อนหนึ่งโยนไปกระทบที่หน้าอกเขาความจริงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะแต่คุณก็อธิบายเสียยืดยาวเน็บแนมเราไปในตัวเสร็จสับ คุณเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรแต่ถ้าลองพูดแล้วพวกเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจทุกท้งไปขอให้ง่ายๆเป็นกันเองกับเราอย่างใจจริงเสียทีธนามาด้วยกันแบบนี้แล้วเอายังไงก็เอากันอย่ามัวแต่คิดว่าพวกเราดีแต่ความเห็นแก่ตัวกันนักเลยฉันคริสคิดเชิดวุฒหรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์ใจถึงทั้งนั้นแหละม่อย่างไงก็คงไม่ถูกคัดเลือกตัวมาให้ร่วมเสียงตายกันแบบนี้หรอกว่ามาเลยจะเอายังไงก็ว่ามาเลยทั้งนั้นละพิน รัพินทร์ไพวันหันไปสบตากับอิสเวลและพูดช้าชว่าคุณนักเรียนดีมานะเบลแต่คุณก็ยังไม่ได้ตอบให้ชัดเจนลงไปว่าเจตนาแท้จริงของคุณนั้นจะเอาอยัางไงผมนักคณะว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งเจตนาดมอื่นๆได้นอกจากการมุ่งหน้าทํางานและรักษาความปลอดภัยของพวกคุณทุกคนระหว่างทางระพินทพูดจะไม่หันจปุประโยชน์ทุกคนที่นั่งร้องโมงกันอยู่นั้นก็สะดุง้งพวกขึ้นมาทั้งตัวเสียงรอ เสียงล็อกเอะอะโวยวายฟองม่ได้สับดังมาจากกลุ่มของพวกที่กําลังแล่นเนื้อกระทิงอยู่พร้อมทั้งวิ่งคือแตะกระจายและบัตดนั่นเองลายขึ้นนัดหนึ่งก็แผ่สนัน่นคือกล้องขึ้นแทบปูดับตู่มใหญ่เราคนเป็นกระเสียงร้องแปร๊ะแปร๊สะเทื่อนป่ากิ่งไผ่หักโครงครามผงผางดังขึ้นรอบด้านเหมือนเกิดพายุโดยไม่มีสัญญาณเตือนให้ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยใครคนหนึ่งในกลุ่มพานขึ้นเมืองเข้าดูเหมือนจะเป็นเจ้าเสยลั่นหน้าตออกตั้ง โกยแนบเข้ามายัางกลุ่มของนายจ้างหรือกันที่นั่งตะลึงกันอยู่เพื่อตรงเข้าไปยังไฟฝุ่นของตนเองที่วางพิงอยู่กับกองสัมภาระส่วนใหญ่ปากก็ตะกนสุดเสียงฟางแทบประสาทนายช้างบวกนายละกทินและฝ่ายนายจ้างของเขาทุกคนเห็นขึ้นยืนพร้อมกันหมดเหมือนถูกอะไรดีดขึ้นมาปืนประจำมือของแต่ละคนเหล่านั้นติดมือขึ้นมาด้วยเพก็จริงแต่ก็ถูกสะกดให้จม ง, งังกับเหตุการณ์โดยยังไม่สามารถจะเคลื่อนไหวหรือยังพิยั้อย่างใรได้อย่างน้อยก็เพื่อของวินาทียกเว้นพลันใหญ่เท่านั้นที่กว่าตา พวกเดียวไปรอบตัวพร้อมกับขยับพวกเล่นขึ้นลำโดยเร็วที่สุดภาพที่เห็นในฉากอันสับสนอลหม่านนั้นพวกทหับทุกคนที่กระจายทำงานกันอยู่อย่างที่ต่างๆวิ่งกันจ้าละวันพร้อมกับแหกเสียงตะโกนกล้องบอกกันฟังไม่ได้สับลักษณะไม่ได้ิดอะไรกับมดแตกรัง ดูไม่ออกว่าใครเป็นใครทางด้านที่กําลังแล่นเนื้อกระทิงกันอยู่นั้นเงาทะมึนของภูเขาเคลื่อนที่ลูกหนึ่งโผล่ออกมาจากมุมเส้นทางด่านห่างจากซากกระถิ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบัดนี้กําลังหมุนคว้างปัดเป๊ะเยงกระเลาะท่เข้าหาไข่ทั้งกอเพราะอํานาจกระสุนไดเฟินนัดปรมาเลิกซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่าจากฝีมือของใครในกลุ่มพันเพื่อนเมืองของเขาต้นไผ่แทบนั้นไว้รูสหักสะบัน้น เมื่อร่างอันใหญ่โตเซเข้าปะทะแล้ววัดนั้นเองกระสุนจุดสจากห้าแม็กอีกนักหนึ่งก็ระเบิดขึ้นเป็นนักที่2เห็นชัดกับตาว่าร่างใหญ่โตสีคลนที่กําลังแผดเสียงวัดแกว่งงวงอยู่สุดควบลงทับโคนไผ่ในขณะที่กําลังจะต ว, วัดตัวตรงเข้าหาเหลือบอีกแวบเดียวเขาก็เห็นตาเท่าบนคําวิ่งแกนกระชากลุกเลื่อนคลายปลอกกระสุนไปพ้าในขณะที่อีก3เส้นทา ง, งดันซึ่งท่าแบบบรรจบกันนั้นศีรษะมือมารอยกระตุกกระตุก จากอาการวิ่งเหาะๆบางแสงสว่างเป็นเงาราวหูเข้ามาทั้ง3ด้านและเจ้าตัวที่อยู่ใกล้หลังมึนคําที่สุดก็ห่างแกออกไปเพียงไม่เกิน15ห้าหลาเท่านั้นเสียงตาเท่าบูตะโกนอะไรฟังไม่ได้สับขาท้าไทยไลาย้นตวัดขึ้นมาติดกับซอกไหลและพินไยวันกวาดปากระบอกปืนอย่างรวดเร็วเสียงกระสุนทแม้มจากปากลํากล้องของเขาแผดสนันมันไว้ออกไปดังฟ้าผ่ากลางดงไผ่ทึบ ประกายไฟและเป็นยวงผ่านทิศาของคริสเบลซึ่งกำลังหมุนคว้างตั้งสติไม่อยู่ในขณะนี้ไปประมาณสองขวามือไอช้างร้ายผูกกำลังปวดไล่กระชั้นชิดบุญคําเข้ามาพล่มขึ้นลงกองกับพื้นทั้งท ง, ทงที่ยังวิ่งอยู่คุณตลกกระจายสกัดกั้นพระพวกของมันเองที่กำลังวิ่งเข้ามาเป็นพวนตามหลังติดๆชะงักกันอยู่บนเส้นทางนั้น ยิงตัวที่เห็นว่าใกล้ตัวที่สุดปักหลักอยู่กับที่ยายแยกกระจายออกไปเขาจะกลวเร็วหรือไปยังกลุ่มนายแจ้าทั้งหมดดังลั่นพร้อมๆกับเสียงช้างร้องเซลลี่คีธรัชช์วุฒมาดสติก็ต่อเมื่อเสียงปืนแผดลัวเกือกกล้องไปหมดแล้วราวกับเกิดสงครามเป็นเสียงการระดมยิงอย่างทีเร็วที่สุดจากบรรดาผู้พนพื้นเมืองของรัฐินซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้านในขณะนี้ท่ามกลางความโกลาหลโอมานขีดสุดและป่าภัย แวดวันแวดล้อมรอบด้านก็เต็มไปด้วยสียงะมาเหือมาที่โผล่ดังเข้ามาทุกทุก ท, ทาง ท, ท, าทุกเส้นสายจนแลดูมืดสนิทอื้อๆพื้นดินสนั่นไหวไปหมดทุกตารางนิ้วเหมือนเกิดแผ่นดินไหวสับสนเนียงอื้อๆในยามนี้แย่ไม่ถูกว่ามันเกิดจากเสียงอะไรบ้างลุกเอาเสียงร้องแหลมของคริสกับเบลดังขึ้นพร้อมกันขณะที่เปิดตาโฟงชี้ขึ้นไปทางเลื่องหลังทั้ง3คนหันความไปตามเสียงร้องของสองสาวแล้วแผ่นกระจายกันออกไปคนละทาง นักษณะยินปักหลักเบี่ยงหน้ากระดานเชิดวุดเร็วกว่ามรกันอีกสองคนเพราะต่อโคมเขาให้ก่อนเป็นคนแรกของชุดนั้นระดะยิงห่างกันเพียงแค่สิบหลาเท่านั้นเจ้าสีดอกที่วิ่งนำหน้าลองโออกหัวซุนเข่าสุดลงไปเฟลลี่คีก่กระนำใส่พร้อมกันใบไม้แห้งและฝุ่นด้านหน้าเปลวว่อนราวกับถูกลมพัดเป่าอีกสองตัวที่กาลังบุก ค, คงเข้ามา ตะลุยเข้ามาลากับรถถังล้มตะแคงเอาท้องวาดดินไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนั้นหยุดชงักกึกส่งเสียงร้องอย่างเสียดเกลดเบี่ยงสีข้าจะเบนออกนอกเส้นทางแล้วก็ถูกเชิดวัสดเสยปังก็ให้ที่คนขาหน้าสุดถล่มลงทับกับผู้ไม้หาพที่หน้าแหลกรานลงทั้งพงในขณะที่ตัวอื่นก็ส่งเสียงร้องอย่างดุร้ายปกตะลุยเข้ามาทุกทิศในระยะที่แค่จะเรียกได้ว่าประชันเชิดตลุมบอลคริสแลเบลเพิ่งจากกระชากฐานที่รถตั้นของ AR15 ประจําตัวออกมา แล้วยกขึ้นประทับหลายทั้งสองสาวกติไกลแบบกินทีละนัดแต่รัวนิ้วเร็วที่สุดเสียงเปี้ยงเปรี้ยงเปี้ยงเ ป, งเปี้ยงนับนับไม่ทันเลยทีเดียวหัวกระสุนพุ่งเข้าใส่ตัวโตๆที่ย่าย่าตะรุยเข้ามานั้นอย่างดุเตือดเห็นจุดไหนแม่ผมทองกับแม่ผมแดงก็ยิงไปจุดนั้นที่เห็นนั่นโดยที่ไม่เลือกคนปรากฏว่าเลือดสาดกระจายว่อนไปทั้งป่าไผ่ มีอยู่สอาตัวที่โดนเข้าตามลำตัวหรือบริเวณที่ไม่สําคัญก่อให้เกิดความเจ็บร้ายบ้ารยิ่งขึ้นและพุ่งเข้าใส่อย่างเมามันแต่ก่อนจะถึงตัวบุคคลเหล่านั้นก็ถล่มลงมากองพนันเทิมท็ทททททอปเตอร์อัมไนของกระสุนไร้พื้นขนาดหนักจากสเตลลี่คีและเชิร์ตวุฒที่ช่วยกันระดมยิงสกัดกั้นไว้รวมทั้งการช่วยยิงจากกรุร่มฮันพนเมืองที่มุ่งเข้ามาคุ้มกันฝ่ายนายจ้างเป็นจุดแรกด้วยประเพีย น, นั้นคอยเจ้าระวังป้องกันให้แก่ฝ่ายนายจ้างของเขาผู้ซึ่ง กระสุนหมดแล้พยายาจะเร่งบรรจุกระสุนชุดใหม่อย่างตลีตะเหลือกเชิวดวุฒิเพ่นอ้าออกมาจากที่ยืนอยู่เดิมหลบเข้าหาซุ้มไผ่แล้วเปิดลุกเลื่อนล้วงกระสุนออกมาจากกระเป๋าด้วยมืออันสั่นเทาให้ย่างตัวหนึ่งก็เจอกับกระสุนยิงเร็วของเบลคริสคนหนึ่งเขาได้เข้าชนิดที่ลาตัวซีกหนึ่งไหลโสมาเรือยเรือ่อยผู้งาก็้าใส่ในพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยเสือนั่นร้องสุดเสียงกระโรดดหนีพรวดพลาดไผ่ทั้งกอกระจุยออกไปราวกับถูกปืนรถถัง เมื่อเจ้าช้างตัวนั้นเสริญงาของมันเข้ามาโดยพลาดจากชื่อว่อาจันหุเบเกลี่ยสเปลี่วาดลเฟินตามเหนียวไกลแชะกระสุนในแมกกาซีนของหัวหน้าคณะหมดลงเช่นกันอเมริกันอาวุโสอุทานออกมาอย่างตกใจคีดหันไปรับหน้าที่อยู่กับอีกตัวหนึ่งที่กำลังไล่ข้ามซากเพื่อนของมาแต่ก็ถูกยิงส่วนสูงของบริเวณศีรษาอันเป็นโครงอากาศทําให้มันส่งเสียงร้องแหลมกึกก้องวนตัวกระหนี่และวกระสุนของคิดชุดนั้นก็หมดลงอีกเจ้างามงามตัวที่ไล่แถวเชิดวุฒเบนหวว ของมันจากคนไผ่ได้แล้วกำลังจะหันเข้ามาหาเชิดวุฒิยังติดพันธละพินสวนทางวิ่งเข้าไปหามันประจันหน้ากันแค่ไม่ถึง4ี่หว่าแย่ไล้ฟื่นในมือเข้าไปในระดับคนง่วงแล้วกดตูมเจ้าตัวรันสุดท่วบลงคล่อมกับดินเหมือนถูกตัดขาทั้งสีข้างออกพร้อมพร้อมกันถอยออกไปรวมกับพวกปุญคา เสียงมีอยู่เท่าไรเขาตะโกนออกไปเต็มสุดเสียงระหว่างที่ยัด ก, กระสุนชุดใหม่เฟรรี่ขี่และเชิดวัววิ่งเข้าไปตั้งหลังอยู่ใจกลางของบริเวณที่กําหนดไว้ว่าเป็นแคมป์อันเป็นกระหนที่วางสำหรับส่วนกลางสุบัปัจจุบันคำแจนเกลเซย์กำลังล่นสวนออกมามันเป็นเหตุการณ์ที่โกราหันขีดสุดนับตั้งแต่ออกเดินทางมาเสียงเปือที่ดังทีไม่เป็นจังหวะเหมือนประทัดวันขีดวันตจีนเสียงช้างร้องเสียง ปาแตกทางประสานกันฟังว่าคนดินที่ยืนอยู่ตรงนั้นจะถล่มทําลายลงมาคริสกับเบลได้เปรียบกว่าคนอื่นๆในด้านที่มีปืนสามารถเป็นจุประสุนได้มากกว่าและเป็นปืนสงครามแม้จะเป็นกระสุนขนาดเล็กก็จริงแต่ถ้าเจนนิเฟนเห็นไอ้ช้างมาหาภาัยโขงที่ปลุกเข้ามาตะลุมบอนโดยไม่มีสัญญาณบอกกล่าวให้ทราบลงหน้านั้นเลยลม้มลงหลายตัวเมื่อทั้งสองสาวได้เป้าหมายเนินน้ําเต้าเหนือคนงวงของมันและภายหลังจากกัน ควบคุมสติไว้ได้บ้างแล้วทั้งเบลและคริสก็ยิงได้แม่นยำและรวดเร็วพอๆกันทั้งคู่สามารถจะช่วยสถานการณ์ไว้ได้มากเสียเดียวหลายตัวที่พยายามจะหนุนบุกเข้ามาต้องสุดลงหรือไม่เช่นั้นก็เบนหัวหนีด้านป่ากระเจินไปพร้อมกับเลือดอาบตัวพวกลูกหาก็ช่วยกระดมยิงด้วยปืนซองที่มีอยู่แล้ววิ่งหลบกําบังตัวตามคนกอไผ่อย่างฉลาดตามสายชัตติยานเอาตัวรอดของลูกป่าทั้งหลายอันไม่มีอะไรต้องเป็นหน้าน้าเป็นห่วง ส่วนพันพื้นเมืองตัวขันของเขาทั้งสี่คนก็เป็นหลักประกันที่วางใจได้เสมอคนเหล่านั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่ทำกระสุนให้หมดเปลืองปล่าประโยชน์เลยทุกนัดที่ปล่อยออกไปหมายถึงอำนาจการหยุดยั้งที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ล้มลงก็ต้องพงานหีสมสารถ้าโตกับอูทะสองกระเลียง ยิงปื่นแก๊ปคู่มือกันได้คนละนสองนัดก็เพ่นหนีเข้าไปซุกตัวอยู่ในดงผายน้ําอย่างรุนกรุนมันไม่มีปัญญาอะไรที่จะยืนปักหลักหรือหลอกล่อเพื่อรมรอนกับโขงช้างมหาการต่อไปเหมือนเหมือนกับคนอื่นที่มีอาวุธดีกว่านั้นซึ่งนัดก็จัดได้ว่าเป็นความเลายของเจ้าเกรเรียงดอยอย่างยิ่งยวดหมอเบลนั้นยังมีสัญชาตญาณแห่งการเป็นแพทย์ปรากฏออกมาให้เห็นชัดร่อนวิ่งเข้ามาปักหลักคอยระวังเอิญอันเป็นคนเจ็บซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะนี้ แล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนสาวเข้ามาสมคบอยู่อีกคนหนึ่งด้วยคอยระวังไว้ด้วยฉันจะดูแลคนเจ็บเองบอนล็องบอกครสแล้วหลนันพูดคาดเข้าไปกดไลท์เอิร์นไว้เมื่อเห็นเจ้าตัวนั่นลืมตาม ง, งัวเงียขึ้นมาด้วยเสียงปืนและเสียงป่าถล่มตลอดจนความวุ่นวายต่างๆในขณะนี้พยายามจะลุกขึ้นมาอย่างตกใจขวัญเสียลอเตอร์สเตรลลี่กับคณะบรรจุกระสุนชุดใหม่ได้เสร็จก็ปักหลักซัดต่อไปด้วยลายเฟินขนาดหนักหน้าคณะยิ้มอืนช้าแต่ดับทุกนัดไม่ผิดหวัง ล้มช้างร้ายๆเหล่านั้นลงได้แต่ละตงที่ปล่อยออกไปคีดกับเชิวดวุฒนั้นอยู่ในการเดียวกันคือเต้นเร่าเล่ากับเจ้าเข้ายิงได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่คํานึงถึงเป้าหมายว่าจะได้จุดสําคัญหรือไม่เพรอคนตะโกนร้องสั่งความกังวลวายไปหมดซึ่งคริสติน่าบัดนี้ดูหลังที่เยือกเย็นเกินเชื่อภูเขาคุมเชิงอยู่ใกล้ๆกับหมอเบวผู้กําลังระวังดูแลคนเจ็บไม่ให้ลุกขึ้นมาทางเลือกจ้องยิงเอาอย่างจังๆเป้าหมายเป้าหมายคือศีรษะทั้งสิ้นสุดแต่ว่าไอ้ตัวนั้น จะโผลเข้ามาในทางปืนของหล่อนคุญตลบ พ, บพุ่ทุบมั่วมุนไปหมดทั้งบริเวณราวกับหมอกลงเกิดเซยจันและบุญคำขนาดนี้ก็ตั้งตัวได้แล้วสั่งวิ่งเข้ามาคอยระวังคุมเชิงคุ้มกันให้ฝ่ายนายจ้างตามตัวบุคคลที่ได้รับความมอบหมายซักซ้อมกันไว้ร่วงหน้าแล้วเสียงละทิพย์ตโกนอยู่เอ็ดตึงสั่งให้ทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่ตั้งของแคมป์โดยแม่ให้ใครหนีกระเจิดกระจ า, ายออกไปหารัทธิที่จะช่วยยิงคุ้มกันให้ได้ชุน ม, มุนวุ่นวายไปหมด ความแคบของเส้นทางดาดประกอบกับความทึบแข็งแรงของกอไผ่อันเป็นชัยภูมิแวดล้อมทั่วไปช่วยให้ฝ่ายมนุษย์ใช้เป็นที่มั่นหลีกหลบและอาศัยเป็นที่กำบังตัวได้ดีกว่าที่โลกช่วงนั้นไม่เกินกว่าห้าหรือหนาทีเท่านั้นภายหลังจากที่พวกมันพยายามบุกตรลุยเข้ามาและถูกสกัดกั้นด้วยลูกปืนล้มงงไปตัวแล้วตัวเล่าโดยไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้เช้าช้ามันจอยู่ของนั้นซึ่งไม่ปรากฏวิเววของจากโถงให้เห็นเลย รวมทั้งไม่อาจจะทราบได้ด้วยว่าปริมาณของมันมีอยู่เป็นจำนวนเท่าไหรก็เริ่มแตกหนีป่าเฉือนห่างไกลออกไปรอบด้านเหมือนฐานถอยทับภายหลังจากการรอบโจมตีไม่เป็นผลสําเร็จเสียงมันรอ้องกึดกล้องรับกันเป็นทอดทอดราวกับเปจะส่งสัญญาณบอกกันให้ถอยหลังและเสียงตะเลยปุกป่าหนีห่างไกลออกไปเป็นลำดับทิ้งม่านควันอันหนาชื้ไว้ภายในบริเวณรวมทั้งซากของพวกมันที่รังกองตาตื่นอยู่ทั่วไป ข้างกลางเส้นทางด่านทุกด้านและตามบริเวณพวกลงป่าโดยรอบด้านแยกแตกแยับล้มละในละนาดไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าใครยิงเป็นนัดสุดท้ายแต่ขณะจิตหนึ่งที่ทุกคนต่างยังสงบนิ่งอยู่อย่างที่ต่างๆทุกบริเวณรู้สึกแะเพียงว่าลำกล้องปืนของตนเองร้อนฉี่จนแทบจะสัมผัสไม่ได้ความเงียบสงัดเข้ามาครอบงำบริเวณจนสามารถได้ยินลมหายใจของตนเองไดยเฉาะอย่างยิ่งฝ่ายในเจ้าทุกคน รู้สึกตัวเหมือนขวันไปแทบจะเชื่อเสียไม่ได้ว่าเมื่อหยกยกนี้เองมันได้เกิดอะไรขึ้นและทุกคนได้กระทำอะไรลงไปบ้าง่างคนอยู่ในภาวะมึนงงจากต้นชนปลายไม่ถูกเบล ย, ยังคงนั่งกดไล่คนเจ็บอยู่เช่นนั้นคเคลสก็ยังคุกเข่าอยู่ใกล้ๆมือถือปืนนิ้วยังสอดอยู่ในไกรแต่เงยปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าเฟรี่อาปากน้อยๆหน้าขาวเผือดเห็นชัดไรยพิอยู่ในมือถ้าเอียงอาวศ คิดหลังพิงอยู่กับต้นไผ่ห่างออกไปทางหนึ่งเหนือแตกทิศส่วนเชิดวุฒิยืนจังงังอยู่ใจกลางลานที่พักแยกเขี้ยวขาวแต่ละคนดูเหมือนจะถูกสาดให้เป็นหินไปชั่วขนาดหนึ่งรวังของคนทั้งห้าถูกผลักขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องเร็วกราวอย่างดีใจของพวกลูกหาบและผ่านพื้นเมืองคนเหล่านั้นซึ่งพากันหลบตัว ย, ยึดที่มั่นอยู่ในกรหนังต่างๆได้วิ่งเข้ามารวมกลุ่มเรายันมันอยู่นายพวกมันวิ่งหนีป่าราไปหมดแล้วฮะฮะ นั่นเป็นเสียงตะโกนร้องปนหเราะน้าของบุญคำขณะที่กระโดดเข้ามาทั้งหมดของฝ่ายในจ้างย่อมจะเคลื่อนไหวตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งต่างค่อยๆทยอยกันเข้ามายืนรวมกลุ่ ม, ล ม, มองหน้ากันเองอยู่ไปมาเหมือนจะสำรวจดูว่าครบถ้วนพร้อมกันดีอยู่หรือไม่แล้วหันมองไปรอบๆกายซึ่งยังปกบลุมไปด้วยมัน่นกุนที่เริ่มจะค่อยๆจางลงจริงและกอบไผ่ที่หักกระจาดไปทั่วรวมทั้งซากช้างนับสิบ ท, ที่กองเป็นภูเราพเหเรากาอยู่เป็นแห่งแห่ง ทั่วบริเวณทุกด้านเต็มไปหมดเลือดนองกระเซ็นแต้มไปแทบทุกใบของอิงไผ่ Incredible ดร c เ o r s e r คลางออกมาด้วยเสียงไม่ดังเกินกระซิบขณะที่หลีตาลงแล้วยกแขนขึ้นป้ายเหงื่อบนหน้าผากของจริงดร c t ของจริงที่เราไม่อยากจะเชื่อกันมาก่อนเลยพันตรีเช่อบุดพุมคำคิดเป่าลมออกจากปากแล้วยกแขขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยใบไผ่ทึบ ในพิปากขมุกขมิบเหมือจะสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าแล้วหันไปยังสองสาวคืนหวเราะเอามาดังๆถามว่าเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนก็เหมือนฝันร้ายในคืนที่ทาตไม่กปกติแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝันไปหรือเปล่าถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันให้เห็นตุกตาอย่อย่างนี้แล้วก็เบวบอกยิ้มแพร่ๆแล้วปุ้ยปากไปยังซากช้างซึ่งกออยู่รอบด้านตูนบังคับการเขาจะไม่เชื่อเราอย่างเด็ดขาดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากเรารายงานขึ้นไปซลิปพูดแถ่ว เ, เบาเหมือนจะกล่าวกับตนเอง คนหน้าคณะหายไปทางกลุ่มพารเพื่อนเมืองและลูกหาต่าหมาซึ่งพาเป็นยินรด้ร้อนดื่ถามโดยเร็วคุณคำพวกเราทุกคนเรียบร้อยดีหรือเปล่ามีใครได้รับอันตรายอย่างไรบ้างไหมอยู่ครบหรือเปล่าตาพานเท่ายี้มเห็นเหงือกอยู่เป็นคอบครทุกคนแหละในห้าไม่มีใครเป็นอะไรมากนอกจากถูกน้ำเกลียวฉลกบอกเอกิดกิดไปบ้างเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเท่านั้นข้าวของทุกชิ้นก็ปลอดภัยปกติเรียบร้อยดีพวกมันบุกเขามายังไม่ถึงหรอกถูกตอ่อกกลิ้งไปหมดเจ็บไปก็มาก ที่เหลือก็เห็นอ้าวดิบแล้วโชคดีที่เราอยู่กันในป่าไผ่ที่มีที่กำบังถ้าเป็นที่โ ล, งโล่งๆถุกมันล้อมบุกเข้ามาทุด้า้แบบนี้สกัดกั้นไว้ไม่ทันหรอกป่านนี้คงจะแบนตะละกระแสไปหมดแล้วทุกคนของฝ่ายนายจ้างพากันถอนใจออกมาได้อย่างโล่ง อ, อก พวกของบุญคำวิเศษมากเมื่อเกิดเหตุขับขันขึ้นมาสามารถจัดการกันได้อย่างดีที่สุดไม่มีใครตื่นตกใจจนหมดสติเลยถ้าไม่ได้ฝ่ายของบุญคำช่วยยิงคุ้มกันไว้พวกฉันคงจะแย่เหมือนกันเพราะยิงไม่ทนัม น, มนมันขรุกขักตอนบรรจุกระสุนใหม่แล้วมันก็กวดไล่กากทันชิดเข้ามาหลเกิด โ, โอ้ยเรื่องเล็กมากนะหฮาสบายใจได้เลยไม่ต้องห่วงตัวบุญคำพบมายิ่งกว่า น, นี้หลายเท่านัก เรื่องช้างยกโขลงบุกแค่นี้ขี้ผงก็เจ้ยร่ยมันแค่ให้เราออกกำลังกันมั่งนิดๆหน่อยๆเท่านั้นต่อไปข้างหน้ารับรองว่าสนุกยิ่งกว่านี้เป็นได้วิ่งกันตับแล็บมั่งละพวกนายห้า้งหลายเตรียมตัวไว้เถิดยามโมจะ ง, งุ่ม ง, ง่ามอยู่คุณคำพูดทางหัวเราะทางเสียงเอิบอากชอบอกชอบใจเมื่อมองเห็นสีหน้าของฝ่ายในจ้งแต่ลคนดากับถูกสีหลอก ดรสเตลลี่และเชิญัตกระดูอดนำลายลงคออย่างฝืดฝืดเมื่อได้ยินคำพูดของแกคริสแะเบลลนิ่งเงันไปส่วนขี้ทำหน้าตื่นงงเพราะฟังมาดูเรื่องหันไปสะกิดฐานเชิญวัตตพอได้รับการกระซิบบอกหมอนั่นก็ทำตาคลองคำลามออกมาก็ส์ a ดามิชทั้งทั้งโคงย่องเข้ามาเงียบเชียบและจูจมไร้กระทืบจนแทบจะตายหากันหทั้งขบวนแบบนี้ตาแกนี่ยังบอกว่าเป็นเรื่องเล็กออีกเหรอถ้ารู้ล่วงหน้าแบบนี้พ่อแบกบปืนยิงรถถังมาด้วย จริงๆสิมาให้นรกผ่าสิระพินอยู่ไหนหัวหน้าคณะร้องถามขึ้น่าเบาเบาเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นได้พร้อมกับสายส า, ายตามองหาปะยะมันดาคนเหล่านั้นที่ยืนรวมกันอยู่ทุกคนเดี๋ยวมองคนหาทันที่อยากเอะใจเพราะรู้สึกว่าจอมพานจะไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นเลยภายหลังเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วไม่มีวี่แววของตพินไพรวันอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งของแคมป์ ซึ่งทุกคนกำลังชุนวนกันอยู่ในขณะนี้และไม่มีใครทราบว่าเขาหายไปที่ไหนเมื่อไหรตั้งแต่เมื่อไหร่ระว่าที่เกิดการยิงชุนมนุมสับสนนั้น